ทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อนํามาประพุทธปฏิบัติแล้วมีแต่ความสงบพร้มเย็นเป็นสุขทั่วทุกหัวและแห่งถ้ามีธรรมถ้ามีธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าประมานํามาประพุทธปฏิบัติอย่างศีลห้าอย่างพวกเราจะสมาทานศีลขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้แหละกําลังจะสมาทานศีลที่หลวงพ่อจะเป็นผู้พานําตั้งแต่นโมตัส นโมทัสสะไปว่าเราลำเลึกถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นบรมครูเป็นศาสด า, ศ า, ศ า, ศาเป็นต้นพระพุทธศาสน า, ศาเราต้องนอบน้อมพระ ค, คุณซะก่อนเนี่แหละหลักของพุทธศาสนาให้ลำเลึกถึงพระ ค, คุณเนี่อย่างพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเจ้าฟ้าเจาะแผ่นดินก็ตามท่านผู้มีพระ ค, คุณมาก่อนเราต้องลำเลึกถึงพระ ค, คุณอน้อมลึกน้อมเลึกถึงว่าพระ ค, คุณท่านเหล่านั้น ทำคุณให้แก่ re, ประเทศชาติทำคุณให้แก่โลกทำคุณให้แก่ re, เราอย่างไรอันนี้เพราะนั้น um เราจะรับศินเราจึงนอบน้อมพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณเป็นผู้ประทานคําสอนออกมาให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นเราจึงน้อมเราจึงกล่าวนะโมนอบน้อมก่อนนะโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุท ธ, ธัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น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 พูดเป็นองค์ศิลปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทธังสมาทิยามิข้าพรเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าเพราะว่าการฆ่าฆ่าคนอื่นเขาฆ่าเรารอฆ่าเขาไม่เป็นผลดีมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวยยายทุกหยอบยาทุกหัวและแหงถ้ามีการฆ่ากันถ้าพวกเราคิดในการฆ่าพวกเราก็จะต้องอต้องเตรียมสัตราอาวุธไว้เพื่อจะต่อสู้คู่ต่อสู้ผลในสุดก็เลยไปที่ไหนไมีแต่ เวณมิตรภัยจะหาความสงบร่มเย็นเป็นจุกไม่ได้ในชุมชนนั้นเพราะนั้นสินของพระพุทธเจ้าทุกคนวางอาวุธจย่าคิดฆ่ากันถ้าพวกเราไม่คิดฆ่ากันเราอยู่นัสถานที่ใดก็กไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่ละแวงแคลงใจกันรักเมตตากันนี่แหละคือสินข้อที่หนึ่งถ้าพวกเราประพฤติปฏิบัติได้แล้วไม่ว่าทุกมุมโลกไหนมีแต่ความร่มเย็นเป็นจุกทั้งนั้น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 เต็มด้วยความทุกข์เพลออ่อนแลเบิดออกอาบางทีผูกข่าฟันลันแทงกันก็มีต่้งเยอะแยะ เ, เพราะไม่มีทางออกนี่แหละต่อนี้ก็คือการเมสุมิกขาจาราเวรามณีต่างคนก็ต่างมีพรอบมีครัวต่างมีศักดิ์มีสีสําหรับครอบครัวของเราตระกูลของเราเนี่ยอันนี้ให้เคารพสิ่งกันและกันอันนี้ข้อศินข้อที่สามข้อที่สี่มุสาวาทาเวรามณีอย่าไปโกหกต้มตุน๋นคนอื่นของเขา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 สมองของเราปันป่วนผิดปกติเอเพราะเหตุใดเพราะว่าดื่มน้ําเสษเข้าไปแล้วทําให้ความคิดของเราเนี่ยผิดปกติไม่เหมือนคนปกติเอผิดปกติคือคนอยังไงคือคนบ้าฮะพูดง่ายๆว่าคือเยในช่วงนั้นพอดื่มน้ํเสียเข้าไปแล้วมันเป็นบ้ามันเป็นบ้ามันก็ไม่คิดไม่น่าจะทํามันก็ทําไม่น่าพูดมันก็พูดเอ แต่ถ้าว่าคนดีๆมีสติจะทำไม่ได้อย่างนั้นแต่พอเสพและดื่มเข้าไปแล้วมันทำได้เพราะมันขาดสตินี่แหละศินข้อที่ห้าของพระพุทธเจ้าเมื่อเสพและดื่มเข้าไปแล้วเมื่อขาดสติแล้วทาความชั่วในทุกอย่างอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินในสื่อต่างๆคนดื่มสุรามเมาสุราแล้วก็ข่านุนขานี่ทำลายขโมยขับรถเฉียวชนมันมีไปได้ทั้งนั้น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 เห็นความสําคัญต่อวัดวาศาสนาลูกหลานเหล่านี้แลจะเป็นทาญาต์ของพวกเราต่อไปภายภาคหน้าเพราะพุทธศาสนาก็จะไม่สุดช่วยรวยแหลมเพราะลูกหลานเป็นผู้สืบทอดต่อไปภายภาคหน้าอยู่ต่อไปเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็จะรู้คุณค่าว่าเออสมัยเป็นเด็กไ้ เ, กเข้ามาสู่วัดวาศาสนาได้มาฟังเทศฟังธรรมได้มาปฏิบัติได้มาใส่บาตรครูบาอาจารย์ลกปูล่งตา หลวงตาอินแท้หลวงตาอินก็อยู่ไม่นานหลวงตาอินก็ผ่านไปแล้วลูกหลานก็นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมา อ, อต่อมาก็จะได้บวชหรือว่าไดมาประพฤติธปฏิบัติธรรมที่หลวงพ่อได้วางไว้แล้วเนี่ยวัดนาคำน้อยแล้วก็บสำนักที่จะสร้างขึ้นมาอีกนี่แหละเพื่อใครเพื่อลูกหลานเพื่อทายาทของเราเหล่านี้แหละอันนี้หลวงพ่อก็อุ่นใจในระดับหนึ่งเหมือนกันพาลูกพาหลานเข้าวัดเข้าวานพาลูกหลานพาทำบุญใส่บาตรอย่างนี้ นี่แหละคือปลูกฝังอุปนิสัยของลูกของหลานให้เป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางให้เป็นผู้มีจิตใจเสียสละฮะแต่พ่อแม่บางคนเห็นลูกทําอะไรให้คนอื่นเขาเยายาํ า, า, ายาทำผลในสูตรสอนให้ลูกหลานที่ตันีทีเนียแวต่อไปเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาพอเขามีการมีงานแล้วก็เขาก็เสียสละไม่ได้เขากินเองเกินได้แต่กินใช้ใจ่ายเท่าไหร่ใช้ได้สุ่วยดุยช่วยไปหมด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 ดูเป็นเวลาทั้ง6ปีวันนี้เป็นวันสูตรสําเร็จที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ในวันนั้นจากนั้นมาเป็นวันได้25งพันห้าอสิบห้าปีนับแต่พุทธเจ้าปรินิพานมา25ง้าสิบหปีแต่ว่าพุทธสยันตีปีนี้เป็นการฉลองใหญ่คือพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้นับแต่วันตัดสรู้นะเป็น 2,600 ปีพอดี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 เพนั้นพวกเราพุทธศาสนิกชนทั้งหลายถือว่าวันนี้เป็นวันสําคัญควรจะประกอบแต่คุณงามความดีสิ่งที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าพูดอย่าทำทำแต่สิ่งที่ดีวันนี้นะพราะพระพุะทธเจ้าบําเพ็ญอยู่หกปีท่านได้ตัดรู้อะไรพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตอนหัวค่ำธันวาได้ตัดรู้ปุปเพนิวาสานุสติญาณและลึกชาติผลหลังได้พอถึงเที่ยงคืนท่านมองดูสรรพสัตหรือว่ามองดูพวกเราท่านทั้งหลายเนี่แหละ ดวงวิญญาณทั้งหลายทวสากลเนี่ยมาจากไหนมาเกิดออกจากที่นี่อย่าไปไหนพระพุทธองค์ก็รู้หมดบ่าว่าจุดูปะ ป, ะปะตาตยานการจตุติกาการเกิดการตายของสรรพสัตว์กรรมของสรรพสัตว์กรรมดีกรรมชั่วของสรรพสัตว์พระพุทธองค์มองรู้ดูเห็นหมดอันนี้เรว่าจุดูปะ ป, ะ ป, ะปะตาตยานอาสาวัคคายานจวนจะสว่างพระพุทธองค์ได้แต่จะรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าคือชาระ ใจพระไทยของพระองค์ให้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลส ร, ราคะโทสะโมหะใจบริสุทธิ์อันเดีว่าสำเร็จเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแปลว่าวันเดือน6เพนเมื่อ 2,600 ปีที่ผ่านมาพระพุทธองค์ได้ตัดสรุธรรมสามอย่างปุบเพนวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้จุตูป ป, ปาตยานการจุติของสรรพสัตว์ดูคนอื่นวิญญาณอื่นจวนจะสว่างพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุปอาสาวขยญาณ นี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายเป็นพุทธบริษัทว่าพระพุทธเจ้าได้ตัดจรู้อะไรในวันเดือนหกเผนนนั้นตัดจรู้ทำสามอย่างคือดูพระ อ, องค์เองว่าเรามาจากไหนมาเกิดที่นี่จว่าปุบเพนิวดัดแล้วก็ดูคนอื่นการเกิดการตายของคนอื่นแล้วก็พ้นชุดท้ายว่าใจของเราเนี่แต่ละคนนี่มาจากไหนมาเกิดมันมาเกิดมาจากไหนเป็นอันดับแรกพระพุทธเจ้าเกิดมาจากความโง่คือตัวอวิชชา อวิชชาปัจจยาสร้างค่ารานขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาให้ศึกษาจะนี้พระพุทธองค์เมื่อได้ตัดสรุแล้วท่านก็นำทำคำสอนออกมาประกาศเผยแผ่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาทีนี้มีมากมายเลย8ป0หมืสี่พันพระธรรมขันธ์ล้วนแล้วแต่พวกเราสมควรยิ่งจะต้องศึกษาต้องเรียนรู้เอวิชาทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่เราจะรู้ได้เลยนะเอวิชาณิตศาสตร์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 ให้คบกัายญาณมิตรอย่าไปคบคนเลวอย่าไปคบคนไม่ดีฮะถ้าคบคนไม่ดีพวกเราจะพลอยไม่ดีไปด้วยนะเออย่างลูกหลานก็เหมือนกันลูกหลานนักเรียนทั้งหลายหรือว่าพวกเราท่านทั้งหลายทุกท่านถ้าพวกเราไปคบคนขายยาบ้าอีกสักวันหนึ่งเราก็อาจจะเห็นผลว่าืออมันขายยาบ้าเนี่ยตำรวจก็จับไม่ได้พวกเราน่าจะขายทดลองเลยสิมันรวยล้าเกินเนี่ย พอในส่วนเราก็เลยไปขายยาบ้าพอตำรวจจับเข้ามาก็นุ่นแหละไปอยู่ในคุกในตารางนั่นแหละถึงพราะเหตุอะเพราะไปคบคนไม่ดีเพราะนั้นการครบคนใดอาจจะเป็นเช่นคนนั่นแหละถ้าคบคนกินเหล้าเผือๆเราจะกินเหล้าไปด้วยถ้าเราไปคบคนที่เล่นการพานันแล้วก็พลอยเป็นคนการพานันไปด้วย เ, เราไปคบคนเล่นบัตรเล่นเบอร์อย่างนี้ พอเขามาเบอร์มันจะออกตัวนั้นเลขมันจะออกตอนนั้นคนนั้นพูดอย่างนั้นหลวงพ่อท่านพูดอย่างนี้หลวงพ่อนี้พูดอย่างนั้นอฝันอย่างนั้นคนนี้ฝันอย่างนี้ตะความหมายพอได้สู่ก็เลยเป็นคนขี้บัตรขี้เบอร์ไปด้วยทีพอวันหวยจะออกเบอร์จะออกเนี่ยเราก็นอนไม่ได้อยากจะซื้อหวยพราะอไไรเพราะมันติดนิสัยไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราคบคนใดจะเป็นเช่นคนนั้นแหละ คบบัณฑิตนักปราชญ์ก็จะไปเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ถ้าคบพลผานก็ไปเป็นภานละชนในหลักของพระพุทธ ศ, ศาสนาพระพุทธเจา้าท่านบอกกล่าวและท่านสอนเอาไว้ท่านยกเป็นชาดกขึ้นมาหลวงพ่อชอบสอนเป็นชาดกนะเพื่อให้ลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาให้เป็นความจำเอาไว้ในชาติหนึ่งในสมัยครั้งพุทธกาลคือสมัยครั้งพระพุทธเจา้ามีพระภิกษุองค์หนึ่ง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 พระเจ้าอช า, าตรูปเป็นลูกของพระเจ้าเป็นทินกรุงราชคือเนะ่ยจากนั้นทางก่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนีต้องการอะไรจากนั้นก็วางแผนต่างๆวางแผนชั่วเนี่ยเนี่ยนะคบคนชั่วก็ชั่วนะสรุปแล้วก็คือพระเจ้าอช า, าติรูปลูกของพระเจ้าพิมพ์ิสานคบกับพระเทวทัตก็เลยกลายเป็นคนชั่วไปเพราะคบกับคนไม่ดีจากนั้นก็วางแผนฆ่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีบุญหนักสักด์ใหญ่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 ตอนนี้พระสงฆ์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเห็นเอ๊ะพระองค์นี้ทําไมเออไปคบค้าสมาคมกับลูกศิษย์พระเทวทัตเป็นพระองค์นี้เป็นนกสองหัวงั้นน่ะเข้าทางพระพุทธเจ้าด้วยเข้าทางพระเทวทัตด้วยไม่เป็นฝักฝ่ไฟไฟใดไฟหนึ่งพระสงฆ์ก็พูดกันพระพุทธองค์ก็เรียกพระองค์นั้นมาเธอได้ไปคบกับฝักฝ่ายทางนั้นเหรอพระองค์นั้นกัสารภาพครับผมทําไม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 พระสงฆ์ทางหลายกระราบภูมพระพุทธเจ้าว่าสมัยไหนพระพุทธเจ้าคว่าที่พระองค์นี้เคยถูกลูกสอนมานะ่ะเป็นเพราะอะไรพระเจ้าคานพะระพุทธองค์บอกว่าสมัยหนึ่งเราเป็นราชสีสีอยู่ในถ้ำแล้วก็มีเมียราชสีสีและมีลูกชายกับมีลูกสาวเป็นราชสีสีด้วยกันอยู่ในถ้ำคือราชสีสีก็คือสิงโตใหญ่นะแต่นี้พอต่อมาลูกชายเขา ไปได้เมียเป็นนางราชสีด์อีกแล้วก็มาอยู่ด้วยกันเป็นห้าชีวิตต่อมาราชสีด์หนุ่มตัวนี้มีสติปัญญาว่องไวคล่องแคล่วไปหากินในสถานที่ต่างๆแล้วก็ฆ่าพวกแก่งพวกกวางพวกสัตว์ป่ามาเลี้ยงพ่อแม่พ่อพอแม่อยู่ในถ้ำต่อมาวันหนึ่งราชสีด์หนุ่มตัวนี้ตีตคลึกขนองเนี่ยไปเจอกับหมาจิ้งจอก หมาจิ้งจอกพวกเราคงจะเคยเห็นในโทรทัศน์เป็นตัวใหญ่นะหมาจิ้งจอกเห็นราชสีห์ราชสีห์กระโดดจะขำบ่หมาจิ้งจอกหมาจิ้งจอกนอนหงายท้องโอ้ยอมแพ้แล้วเจ้านายเอ้ยจะกินก็กินจะยอมอยจะกินผมเธ อ, เอผมจะขอเป็นสวทีิพักเป็นลูกน้องของเจ้านา ย, ยถ้าว่าเจ้านายจะใช้ผมอะไรผมก็ยินดีจะกินผมเธอราชสีห์ก็คงจะอิ่มท้องพอสมควรแล้วเออเอา ถ้ามึงจะเป็นลูกน้องกูกกูก็จะไม่กินมึงเอา้าตอนนี้ต่อไปมึงเป็นลูกน้องกูนะมาจิ้งจอกเขาเลยเป็นลูกน้องราชสีห์เถอเแอพ่อไปเห็นที่ไหนก็ต้องวิ่งมาบอกเจ้านายแอะแก้งอยู่ที่นั่นกว้างอยู่ที่นี่เอะมั่งอยู่ที่นี่ตัวละมั่งอยู่ที่นั่นองอยู่ที่นี่เอะกลับมาบอกเอาขาเป็นสี่ตาอะไรนี่เนี่แต่ก่อนมีสองตาเถอ พอเนี้มีหมาจิ้งจอกเขาด้วยเป็นป็นสีน่ตาเป็นผู้สอดแนมให้เอตอนนี้ก็ถ้าจะสีก็โอ้ดีหมาจิ้งจอกเป็นผู้บอกแนวทางให้อไปหาสัตว์ก็ได้ง่ายขึ้นจากนั้นก็พาหมาจิ้งจอกเจ้านั้นกลับพาไปหาพ่อทีพอได้คาบเนื้อมาได้แหละแบ่งให้หมาจิ้งจอกด้วยแล้วก็คาบเนื้อไปให้พ่อแม่ในถ้าด้วยฮ พอพ่อเห็นหมาจิงจอกตัวนั้นทน่น่ะพ่อก็เลยบอกว่า mm hmm. เอ้ยลูกอย่าไปคบกับคนถ่อยนะอย่าไปคบกับหมาจิงจอกนะหมาจิงจอกนั้นไว้เนื้อเชื่อใจไม่ได้นะอย่าไปคบนะถ้าคบเนี่ยลูกจะเสียหายนะไปคบกับคนถ่อยไปคบกับสัตว์ที่ถอยกว่านะี่พอเราเป็นตระกูลที่สูงส่งตระกูลนี้ราชสีจะไปคบกับหมาจิงจอกจะนั้นไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะชักนําไปในทางชั่วนะพ่อบอกพ่อเตือน แต่ราชสนีนุ่มตัวนี้โอ้ยหมาจิ้งจอกภาษาอะไรมันเป็นลูกน้องของเรามันจะมีอะไรที่จะมาทำร้ายเราได้ถ้ามันไม่ดีแล้วตะปบทีเดียวมันก็จบไปแล้วราชสีทนงในตัวเองครับแต่มันไม่ได้คิดว่าหมาจิ้งจอกนั้นจะต้มลักษณะอย่างไรมันไม่ได้คิดราชสีหนุ่มพอวันหนึ่งแต่หมาจิ้งจอกตัวนั้นมันก็บอกเอ่กวางเ ค, เคยกินแกงเ ค, เคยกินหมูป่าเ ค, เคยกิน อสัตว์ทางหลายท้งปงกระตงกระตายเคยกินมดอีหงอีเห็นเคยกินมดแต่ไม่ยังไม่เคยกินหมาก็เลยบอกให้ราชสีห์เจ้านายเจ้านายสัตว์อื่นเราก็ได้กินหมดแล้วยังมานะ้าหน่ะยังไม่ได้กินเอ้มันอยู่ที่ไหนหมาเนะน่ะแน่อยู่ใกล้ๆแถวกรุงพาราณสีนะนะแต่เป็นสัตว์มนุษย์เขาเลี้ยงไว้นะอะแต่เราจะไม่เคยกินนะอยู่ที่ไหนไปพาไปดูหมาเจอาก็เดินพาไปดูก็ไดนแหละ อยู่แถวนั้นละ่ะราชศีศีกับพอลุว่าอยู่แถวนั่นแต่กระโจนไปเลยด้วยความเร็วของราศีไปกระคาบมา้าวิ่งมาเลยวิ่งมาก็มาแบ่งให้หม้าจริงจอกินส่วนหนึ่งจากนั้นกระคาบมาให้พ่อแม่กินพ่อเห็นนะโอ้ลูกอย่านะลูกนะอันนี้เป็นม้านะเป็นของมนุษย์นะมนุษย์จิตปัญญาของเขาเสียแผนจริงๆนะถ้าขืนไปกินม้าเขานะ ลูกจยกหลอดอยากนะตายนะลูกนะยานะอย่าไปกิด น, นะเพราะมนุษย์เขาเป็นผู้มีสติปัญญาเสียบแหลมมากเล่กลของมนุษย์นี่มีมากมายเลยเอสัตว์ในโลกเนี้ว่ะมนุษย์เนี่นะเป็นผู้หัวแหลมปัญญาเสียบแหลมที่สุดยาไปใกล้มนุษย์นะลูกนะต้องห่างนะแต่ราชสีห์ตัวนี้คึกขนองเอ้ยเราเนี่รวดเร็วยิ่งกว่าลมพัดอีกใครจะเอาอะไรกับเราได้วะเราไม่กลัวใครทั้งหมดในพื้นปฐพีเนี่ย ราชสด็จีมันถะนงตัวนะจากนั้นก็เพอเพ้อกินสัตว์อื่นพอนั้นแหละก็ไปคาบม้ามาเองแต่ในมันม้าเขาเอาเข้าในกําแพงเมืองเท่นียเพราะว่าราชสด็จศรีมันมารบกวนม้าเขาเข า, เ, าเข้ากําแพงเมืองข้านาถเอาเข้ากําแพงเมืองแยกกระโดดเข้ากําแพงอีกไปคาบม้าอีกทอนี้พระเจ้าแผ่นดินก็พระเจ้าพรราชนิสีก็ไปชุมแล้วจ้ะไปชุมนายคำวังธนูครับคำังไปว่าเลิศในการแม่นธนูคร เหมือนกับคนแม่นปืนทุกวันเนี่ยคือแม่นในขมังถนูเรื่องนี้เกิดมาฝึกซ้อมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ในขมังธนูวางแผนกันเนี่ยใครจะอยู่ในตำแหน่งไหนอยู่รอบกำแพงข้างกำแพงเตรียมพร้อมแล้วไงพอพระเจ้าแผ่นดินสั่งเสียบขาดให้ข้าราชการสีตัวนี้ให้ได้นีมันกินม้าเนี่ยพอในขมังธนูทั้งหลายทั้งปวงก็เตรียมพร้อมกันเลยธนูราชเจ้าสีตัวนั้นกับมันเคยมาอย่างไงมันก็วันมันเร็วใช่ไหมมันก็โดดข้ามกำแพง พอไปเสร็จแล้วเขาก็ไม่ยิงขณะที่มันข้ามกําแพงบ้านมันเร็วเอพราะมันเปรียวเนี่ยเพราะมันยังไม่หนักพอมันไปข้ามม้าได้เลยมันข้ามม้าผ็วิ่งอย่างเร็วอีกเหมือนกันนะแต่มันถึงยังไงมันก็ช้าเพราะมันข้ามม้าทั้งตัวใจมันหนักในขณะที่กําลังจะข้ามกําแพงนนายคำวังธนูกับเหนียวลูกธนูใส่เข้าไปเลยอาบด้วยยาพิษท่านี่เอี่ยตบใส่ราชสีเท่านั้นแหละ โอ้ยวางม้าเลยเทเน่ร้องอ้ากเคยเทเนกระโดดข้ามกำแพงไปอย่างไม่คิดชีวิตชีวาพอไปถึงวิ่งไปถึงหน้าถ้ำยาพิษก็ออกฤทธิ์ตายพอดีตายอยู่ในถ้ำของพอ่อของแม่ของเมียของน้องสาวนะพ่อก็เลยบอกว่าเออลูกเอยพ่อตื่นแล้วไม่ฟังอย่าไปคบกับคนเหลว อย่าไปคบกับคนถ่อยไปคบกับหมาจิ้งจอกพ่อบอกแล้วอย่าไปเข้าไปใกล้แดนมนุษย์มนุษย์เขามีความสามารถเขามีสติปัญญาพร้อมที่จะเอาชนะต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายได้นี่ลูกไม่เชื่อเราหนอตายแล้วนะเออนะตายแล้วเนี่ยพ่อก็บอกว่าตายเพราะคบกับคนไม่ดีนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสรุปชาดกว่านิทานหรือชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การครบค้าสมาคมกับคนไม่ดีอีกสักวันหนึ่งความหายนะก็จะมาสู่ตัวของเราเพราะนั้นการครบค้าสมาคมต้องเลือกคบเหมือนกันให้คบกันระยานามิตให้คบเพื่อนที่ดีอย่าไปคบคนเลวอย่าไปคบคนชั่วอย่าไปคบคนไม่ดีเพราะนั้นพวกเราคณะทายาทโยมลูกหลานทุกคนวันนี้ได้มาสู่วัดวาศาสนาหลวงพ่อได้ปรารบเรื่องวันวิสาขบูชา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 พุทธศาสนิกชนลูกหลานทุกคนที่มาสู่วัดวาศาสนาวันนี้ก็ขอให้พวกเราได้นำไปคิดนําไปพิจารณากันกลองไตรกลองด้วยเหตุและผลพวกเราจะได้รับความผาสุขได้รับความสงบพรมเย็นเป็นสุขเดินทางไปในทางที่ถูกต้องความคิดจะเป็นสัมมาทิฏฐิในที่สุดด้วยอํานาจคุณพระศีรัตนาตรไยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครอง ขอให้คณะสธาหย่าจมลูกหลานทุกคนประสบแต่ความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการเทินรับพรนุ โ, นโมทนาให้พร